วันนี้เป็นวันธรรมสวรรค์เป็นัพะวกบตเป็นวันวันสิ้นแต่วัเวลาันกลว็นดเป็นัวัั้งัวันพระวันันบ เสืนพิจ่าอันนี้ยากในสลาว่ายากโยมแต่สดับรับการทำคือธรรมดาสลาว่ามีหน้าที่ไปงานมากเนมือนักบื่นักเบื่อกับการงานมากเหนือนกันแต่การงานของท่านงานราชกิเลดแต่งานที่สลาว่างาน งานลกงานหามาเกลียตายต็มใหญ่ไม่ได้หามาเกืียใจแต่งานต้งละงานต้องไม่เบีดงานหามาเืลียใจโอกาสเวลาวันจีนเรียนปีที่ผ่านไป จ, จะต้องตั้งใจกาหนดที่ทตัวมาตำระขั้วบำเพ็ญดีแก่ตัวอของตัว ในหนุ่มเถือนหน่มคือตางานสองพระสองนักเมือทุกวันทุกเวลากาหนดที่นี้พี่เยนาใจท่้งเตี้ยแมันเสียมันเสียที่ไหนเะกะิเดรื่อกัราชสางเลยเปียดใบเสียงเสียจนจะต ก, ตกออกไปแต่ชราวานนั้นจะมากาหดนดจิตใจดีเรื่อย มาเด็กทำการทำ ง, งานด้านอื่นแต่ไม่มีใครที่จะมาหามาให้จำเป็น ต, <c oughs> ต้องส่งขวขวยเสียตัวเองีท่ทาการงานต่างๆนา น, นาเสืยดายมาสิ่งปัจจัยคือข่าวของมงนทองต่างๆมีชราว่าหยิ่งเย้งในการ ง, งานภายน อ, อกอยู่ตลอดเวลาทาหาก ในพี่อากาศมาสะดับด ร, ร้านสังรามในํำระสัสางจิตไปของตัวเองนั่นดดงต่เนื่องดำในนี้วันเวลาจิ่จะผ่องใสที่จะสะอาดแต่นั้นพระพุทธเจ้าจึงอนุญาตเจ็ดวันแปดวันนะแต่เช่นกันสังรารมียว่าวันธรรมะวันนะคือวันสะดับร้านสัง ทำ จ, จากวัดจากวาจากพระจากเจาก้ามีหมายถึงสิอยู่เป็นฆลาวาดแต่ฆลาวาสคดหน่น้าหนึง่งตาหนึ่งศึกษาอาดทําจริงจังก็มีทางศึกษาได้ในต่องหาวันเวลาคอยกิเลดเกิดขึ้นมากับจิตจัจใจของตัวนั้นในต่องถือว่าวันนั้นวันนี้โอกาสนั้นโอกาสนี้น มัเกิดขึ้นได้ทุกเดือนทุกปีทุกวี่ทุกวันแต่ น, นั้นมันจึงไม่ทันจักเรื่องของใจถ้าหากเราจะนานๆจึงจะใส่สำลัสาสามทีหนึ่งการเปกจะปียกเจมันมากมันทําตอาดได้ยากพอมันแก่มันดองมานานแต่นั้นการจำทาจำีด เป็นเป็นจิตอันหนึ่งสิ่งชราวัดนานนานทีหวันเจดวันแดวันจนถจยมีโอกาสมาําระสายสางจิตใจของตนวันเช่นนี้ก็ไดอ้อนงการงานบ่านช่องของตัวการงานจิตเคยทก็ไม่ได้ทเพราะเคยมาจาศีลมาในวัดจิตเใจพักเคอาศัยเคยเบื่อสบายเพราะ มาหมอนต่างๆแล้วก็ละมันพิงจอยมันพิงไปจำศีลจนถึงจำศีลจะไปนั่งไปนอนอาสนะที่อ่อนยัดเดี๋ยวหนึ่ดี๋ยวสมดีมันก็ผิดเสงศีลสองหัวใจจ่ายใจมันอยัดไว้คือผีทางสึกทางใจเป็นเถื่อนใหญ่ลยในผีตามติดทางตาย การมาจำชินการมาวัดมาว่ามาพาวนาไล่ิเลสแต่เราหนูตัณหาต่างๆกระทั่งมันจียงจังมันก็จะหนูเห็นอันนี้สงให้ไม่เห็นอันนี้มีสงก็เกิดสงสัยว่าเราเป็นคนอาทับอาวัชนาปฏิบัตปฏิบัติอะไรก็หนูได้หนูเห็นหนูเป็นหนูตาอย่างเขาเราอาจจะสงสัยเมาตัวเองดีเป็นตายก่อนใข่ ทำอะไรยังไงถึงไหนขอกใจว่าเตือเหลือวิสัยไปแล้วถ้าคิดไปใจหนึ่งสอนในยอดเถออย่างนั้นสอนใ้ตังมาต่างตาธรรกดาสารมีวามเพียนบากบันทีายามในว่บาตงานบ่านนอกหรือด้านในขาคนถอดถอยเยียบ์ช้าไม่เอาทาน คนนั้นจะทำการทำงานด้านโลกหรือด้านของธรรมจะสาเร็จเสร็จสิ้ น, นไปให้ฉะนั้นท่านชิงสงอ น, น, นเนี่ยสยานันเทียนเยรยาตสลาสาสางจิตใจทั้ง ต, งตนเพราะทุกคนมันก็มีจี่เลวที่จะทำละมีสีมีสมาธิมีปัญญาที่จะแก้ไ้กายใจทั้งตนในยุ่เด่นได้ในเช่าไม่มี กิเลสมันยังมีอยู่แล้วก็มีทางทสืง่อจะทรักษาสานั้นหากเราไม่นั่งดูเรื่องเหล่านี้การ ม, มาวัดมาวามันจะ ม, มีสาระประโยชน์ให้แต่เรามองดูเรื่องเหล่านี้เรามาวันนี้มาจําศีลมาภาวนมามาสํารักิเลสจะเช้าจนยันค่ำเราเด็กทำอะไรบ้างสี่เป็นไปในทางสํารักกิเลสต่อหาออกจากกายกรจายใจทั้งตน เสีดตาพี่นี้พี่จเจอมาทำไมเสีดตาพี่นี้พี่เจอมาเจาีงเจีมาวัดมาลาเชยเฉยดันจีนผิดานใจตงใจผิดจนทำไรต่อหน้าทา ง, ทงด้านจิตใจก็ไม่มีอะไรยื้อเสีดให้กตเกิดความลังเลสงสัย ว, ว่าชาววัดาวาทไมใจจึงเงีดันตามตายอย่างนั้นอย่างนี้เราไม่ตังใจทำดี ความีมนจะเกิดขึ้นได้แต่แล้วตัง้งหน้าต่างตากำลัสาสางจิตใจของเราถึงมันจะหมดหนาสาหโหดขนาดไหนโดยอนานาจความเพียรของใจพยายามขับไล่พยายามทำํำกำลังมันจิที่ใหญ่โตนั้นก็จะคอยหมดไปหมดไปเหมือนเขาถางป่าหรือเขาตดดินถึ ง, งมันจะใหญ่โตขนาดไหน สุดไปเรื่อยๆมันก็หมดไปได้สิ่งที่ระเบิดภูเขาเจาะภูเขาก็ยังต้มเร็ดควรต้มเล็ดประโยชน์ให้มีการชำระใจของเราก็ทํานองเดียวกันหมันสชำระสาสางเลยความเพียดขืนยามต่างๆจะยืมแต่ดีจะเดินแต่ดีจะนั่งจะนอนงแต่ดีมีสติมีปัญญาสม่ำลักษา จิตรักษาใจท้องตนท่นวาเป็นความเพียรสะาดปฏิปัญญาในตามรักษาจิตใจของเรามันบ่าวุ่นไปติดไปข่องอารมณ์ชัญญาต่างๆอดีตที่ผ่านมาแล้วนานานขลาดไหนมันจะระ ล, ลึกไปอนาคตยังไม่มาถึงมันจะจึนไปสิ้งไปปัจจุบนันมันมีอยู่ในตัวมันมีแต่จะคิดทางหน้าคิดทางหลังจึนทางนอก ใจก็เลยนี่มีวันมีเวลาสว่างสวยใจก็มีเวลาสบงบคนที่มีอารมณ์มากเท่าไรคนนั้นแหละ็นทุกข์มากคนที่มีอารมณ์น้อยเท่าไรคนนั้นมีความสุขใจความสบายใจแต่นั้นทำาพื่อให้กําหนหดบททำขอ้อใดข้อหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งบริสุทมสําหรับจะให้จิตใจทังตัวฝังติดอยู่ใน ทำบริมเหือนั้นจนพุทโธทำโมสังโขหรืออ拉หังอย่างในอย่างหนึ่งสิถือกัจจเรียนนิสัยท่องสนเมื่อเราบริกรมอยู่ในทำบริตรมของเราใจมันจะไปเกาะเกี่ยวจิตข่องกับเรื่องอื่นใจมันก็ค่อยสงบลงเรียนได้มีความเสียดสบายมีความเย็เย็นมีความสุข ภายใน ม, มีเห็นอันมีส่งในการจระทํำของคนเพราะจิตของคนในจิตเห็ทะลทมานแล้วถึงอายุใจมาขนาดไหนใจนั้นไม่เคยสงบเยงเรีให้ใจนั้นไม่เคยสงบเรียใใงเรียงให้แต่ในเห็นอะไรที่จะสุขจะสบายยิ่งกว่าเห็นรูปฟังเสียงถูกกลิ่นลิมล้มรสหรือสัมผัสมันเลยจิตไปทางนอก จึงไปทางนอกใส่ใจว่าความปลูดกดีกับส่วนนั้นแต่ความจริงแล้วทหากเรามาทำภาวนาชำระใจของเราให้หมดสัญญาเรส่วนนั้นกลับเข้ามาภายในที่เจนายลมหายใจลึกที่เจนั <c oughs> อะยรวลาต่างๆจรงจิตได้รับความเรวมๆปล่อยจากสัญญาเรื่อรใจเห็น ความสึกอย่งยำมงนั้นมันเหน่อยอยู่ที่อื่นมันอยู่ที่ตัวของตัวเองในตัวตัวหาสึกอื่นนั้นง่ายแต่สึกทองใจสเยมลงส่ความตป็นหนึ่งนั้นมันสึกพอแล้วสึกอื่นนั้นสึกด้ความจนสึกจอมตอมเหนื่อสึกน่นอนเหื่อสึกสีดูวิเศษ โดยเหตุนี้พระพุทธเจ้าเองหรือเศษผีกิเลสคือกษัตริย์ในสมัยก่อนที่ท <worldwide>. ่านเคยมีเสาคล้องเงินทองบ้านช่องต่างๆเต็มยืมแต่ท่านก็มาดูจิตมาดูคิดมาดูจงไปในคองเก่าพอใจของท่านและรับความสุขความสบายจากการปฏิบัติอาชธรรมีูเห็นเตจนสิ้นจากการทรปฏิบัติของท่าน แต่ความสุขอันนี้เป็นความสุขที่แนนอนเป็นความสุขที่จริงจังเป็นความสุขที่เลิลเศเราเสดสักความสุขที่ออกไปในโลกที่สร้างโลกของจิตคิดถึงว่าความสุขอย่างนั้นความสุขอย่างนี้นดีหรือเศษเพราะสุขกับเรื่องของกีเลสนั้นมันไม่ใช่ความสุขที่แนนอนไม่ใช่ความสุขที่เยือกเย็นสุขเป็นคิดเป็นใจเหมือนยาิ เคลียร์หนุนตามภายนอกหวานภายในเป็นชีิตหนุ่ชีวจากจิตใจที่เป็นแฉ่งในเรื่องที่เหลือปัญหากระทนองเดียวกันเมื่อเรามาประพศปฏิบัติเรื่องอัดคำเข้าใจเห็นแจ้งในเรื่องของจิตที่สงบปล่อยปะละทิ้งเรื่องที่เหลือกัญหาต่างๆมาสงบยวมยงไปใจของเราเห็นใจของเรารู้ว่าความสุขอันนี้ เป็นความสุขที่ดีเด่นเป็นความสุขที่ประเผยิฐงเสร็จคำพูดแจ้แจ้ท่านฉลาดสาวกท่านฉลาดท่านมาเห็นมาเป็นอย่างนี้ท่านจะมีความสุขความสบายทุกทการทุกเวลาที่ที่ทอยู่ที่อาศัยตลอดอาหารการสวยสดฉาบต่างๆในสมเรูรณ์พูนถูกอะไรแต่ท่านไปอยู่ได้ตามป่าตามดงตามเ่ิน้าตามถ้ำกเพราะท่าน เห็นความท่านเห็นความสุกเขื่อนนี้เราเองจะทราดดีว่าจิตของท่านมันเป็นอย่างนี้เท่านจริงในจิตในขวั่งในเรื่องของโลกพอเราเห็นเราเป็นก็มีพา ย, ยานสิ่นในตัวของเราถ้าเราไม่เห็นไม่เป็นจะฟังขนาดไหน ม, มันก็ไม่ปล่อยใจให้เพราะใจของเราไม่ได้สัมผัสกับอัตรมสี่พระพุทธเจ้าเห็นเป็นศาส เราได้สัมผัสแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะสงสัยว่าสมัยพุทธกาลเป็นอย่างไรสมัยปัจจุบันเป็นอย่างไรยืนยัเยมื่อมีอยู่ในใจในสมัยใดมันเดือดร้อนมันแผ็เผาเหมือนกันตับไฟจะอยู่ในที่ใดมันก็ร้อนกเผาอยู่อย่างนั้นไฟราคใไฟปัญหาแั่เชื่ว่าเป็นไฟสําคัญไฟภายนอกก็ยังมี การ ด, ดับได้และหลีกเลี่ยงได้แต่ไฟภายในที่มันไหม่เขาหัวใจนี้ถ้ายในมีอบับมีทำแต่สำลักแต่แังมันเมืนมีวันเวลาสืบ จ, จังเหมืนมีวันเวลาที่จะเยือกเย็นได้เมือนมีวันเวลาที่จะดับได้สังเกตหเอาสติเอาปัญญาคนนี้สอนเอาธรรมะอแ น, นีสอนสำลักดับไฟภายในหัวใจที่เชื่อมจุดขวองเรื่องต่างๆนั้น ด้วยอนาจที่เราไม่เคยศึกษาในที่ที้พิจมราไจตอนถืท่วงเราจึงติดช่องจึงยึดถือถ้าหากเราที่น้พิจารณาศึกษาในธรรมะแล้วสิ่งต่างนั้นนั้นไม่หลงไหลใส่สันกับเราเลยเราจะหลงมันต่างหากมันไม่เลยหลงเราหน้าที่ของเขาเป็นอย่างไรเท่ากับเป็นอย่างนั้นถึงเราหามาได้มนาไหมขนาดไหน เราจะหวงเหนเอาไว้จะเป็นของของเราของหนึ่งนั Or, um, ้นม <im> <Flow. S 2> ันก็ไม่ได้ว่ามันเป็นของ้องเราจนมันนะขโมยเอามันก็เอาไได้ามันเป็นของของเราเขเอาไปไม่ได้นี่มันไม่ใช่ของท้องเรานขององโลกถึงเราไมจากหนีมันหนีจากเราหมันหนจากเราเราก็จากมันมันเป็นอยู่อย่างนั้นของทองโลกเรา ชิ้นที่แนาอย่างนี้ธุรกิจขางเราเ่าวัเมาเราเ้าฝันสลหานั้นมันบกลมเะดผจิตใจงตัวเองให้ยให้ถือให้เดด้นให้วุ่นให้วเมื่อมันมีกามจิหายไปแต่ใจเดือดร้อนแลามามอเอาเลยอย่างนั้นอย่างนี้ไปเ เนือมัังมีอยู่เราก็เป็นทิลัตดูแลรักษาไม่มีอะไรที่จะถูกจะสบายให้ในเหมือนอาบน้ำทาําที่เราปฏิบัติอับทำที่เราปฏิบัติผู้เห็นเดนขับในตัวของเราแล้วใครจะมาป่วนมาขี้มาฆ่ามาตีอาบทำนั้นใครจะแย่งจะชิงไปที่ไหนแย่งชิ ง, งใจเราได้ถ้าเป็นสมบัติของเรา เรารเราเห็นเราเป็นอย่างไรแลเราพอใจอยู่ในตัวหของเราไม่มีอะไรที่จะมาทำในเสียงหายในท่วงพลายชายยึดใจในได้โจนไฟนะั้ำลมอะไรจะมาพัดพาให้อวามดีของเราเสียหายใจไม่มีเพราะความดีนั้นจาดจักา์อาานิดจานนอกสิ่งคนอื่นจะมาหยุดยกออกไปได้ คือเป็นการดีภายในใส่ใจรู้เห็นอยู่ในจิตในใจขั้งตนการสงบเยือกเย็นรูเห็นเด่นชัดอแล้วไม่ได้จุดท่องเออเมื่อมาเหน่อยเศร้าคิดว่าสิ่งนี้เนี่ยเราใจสถานคือนั้นขาจะพ่นจะขี่เอาไปไม่ได้คิดโดยตรงอย่างนั้นเราหนีไปสิ่งนี้จะมี คนมามยเอาหรือมีคนเศร้าคนรักษาเรัะมันมดีมันอยู่กับใจไปสถานที่ดดด ใ, ใดมนดใในันตินดืัอเ ร, รื่ยวใจไม่เลนตองแหน้าสั่งสงหล่าเขีนใจมันอยู่ในใจของเรามันเามันสบายตายก็อยู่นี่คือความสุขในในจิต้วเห็นม่อดใทำจิเป็นอดเป็นทำสุขส บ, บายอย่างนั้น สนอนในตัอย่างนั้นจากไปนิดหน่อยก็คชดแันจะเสียจะหาสีจะในดูแลรักษาให้ชุดไตปูนไตตั้งแต่เรื่องห่วงเรื่องหวงอยู่เสมอไตในเนื้อเรื่องอาจเรื่องความันจึงลบากแตราุดทีนี่พี่ะทำยตของเราในนิดง เดี๋ยวการคิดในอดในทำแไ่เรามนจากมันมันเกจากเราเราได้คิดกด้ท่งในมันมันไม่ได้ใสไม่ด้สไม่ได้คิดได้จึงแต่มันเป็นเรารูดเทอย่างจริงจังแล้วมันกะสดกสบายดดรับถุไน่าท้่งหนรในกางาต่เมอกันยงถเรายึดถือเกิดตันยินดี จะใช้ในวิถีทางในที่จะมาตกแต่งตามธรรมะของพระพุทจ่าแต่นั้งธรรมะของพระจุทยจึาจริงๆไปสางเข้าไปในที่มืดในมองเห็นจริงต่างๆพับเกินจริงข้างในรรนีาทาํามสว่างแล้วมั น, นมืดมันดำในศาสตร์อะไรเป็นอะไรกันแน่เมื่เอเอยู่ในที่มืดจะจับอะไรต้องไปถูกถึงนัน ตาม enfin ต่างๆเช่นไรสิงที่เห่ที่เหนืที่เสียท่หาก็ตาเราไม่เห็นแล้วก็เสียว่าสิ่งนั้นเป็นเคองหยุดเครื่องดีอาจจะจับอาจจะตั้งได้อื่ปัญญาไม่มีธรรมะไม่มีหยุดใจก็ว่งุ่นไปติดไปขวางในสิ่งนั้นทำเห่เบียดเบ้อบื่นรายต่างๆนานาสิขงเพราะเราไม่มีธรรมะฉะนั้นเรื่องธรรมะจึงารเป็นสำหรับเราทุกคน คือจะต้งบเพ็ญคือจะต้งจัดทำในเกิดให้เห็นให้เจนขึ้นจากจุดจากใจของตนพระธรรมน้ส่ใ จ, จ, น, น, น, จนั้นไม่ได้อยู่ตามกําังกลัลงไม่ได้อยู่ตามบัดตามบาไม่ได้อยู่ตามคำพูีไรไม่ไดอยู่ตามพูดอาาอาจารย์มันอูที่ตัวของเราเองถ้าเราเห็นเราเจนเรารู้เราใส่ใจมันเป็นธรรมะของเราใช่